มีเหล่าพาระหลานดาสาวกพระสาวกทั้งเป็นพระนาคาพระสกถ า, าและพระสวัสดาบัล น, นั้นคือพุทธชินโนรที่คลอดออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมเนรมิตรท่านเหล่านั้นขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเล์ของสัตว์โลกด้วย สัตว์ทั้งหลายที่ฟังพระธรรมแม้ในขณะที่การศาสนาของพระเจ้ายังเป็นไปอยู่พระธรรมของพระเจ้ากําลังดําเนินไปอยู่เนี่ยถ้าพระธรรมเนรมิตของท่านผู้ใดให้ได้เข้าถึงบรรลุและทําไม่แจ้งระดับของพระอริยะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นชื่อว่าพระธรรมเนรมิตรนั้นชื่อว่าออกจากพระโอษนั้นแหละเกิดแต่หาไทยของพระบรมศาสดาแล้ว ถ้าพระศาสดายัางทรงพระชนชีพอยู่พระศาสดาก็จะต้องเอื้อมมือมาจับกระหม่อมท่านที่ท่านได้บรรลุสัมผัสท่านว่าท่านได้บรรลุว่านี่คือบุตรที่เกิดจากอกเกิดจากอุระของท่านเกิดแต่พระโอษพระธรรมของท่านเนรมิตบุตรของท่านขึ้นมานั้นพระธรรมตอนนี้ยังเนรมิตท่านตลอดในวัฏฏะนี้ไม่ว่าจะในกามภูมิหรือในโลกภูมิ แม้ในอารู ป, ปรภูมิที่ท่านเป็นพระอริยะทั้งหลายท่านก็มีพระธรรมออกจากพระโอษฐของพระเจ้าเนรมิธท่านให้ได้บรรลุในระดับสูงนี่นี่เราต้องเห็นเราต้องมองให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่ากิเลสจริงๆและบาปให้กัตริย์โลกจริงๆอัตตะตรงนี้ต้องอ่านให้ได้ต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เห็นคุณท่าน เราจะไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาถ้ า, างั้นเวลาเราไปสวดบอกว่าพ ok ah, er ุทโธสุดๆโธกรุณามหันโนโยตจันตสุทัพภรยานโลจโนโลกัสสปาปูภกิเลสคาตะโกวันทามีพุทธังอามาทะเลนั่งมันก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดานั้นอ่ะพระองค์บริสุทธิ์มีพระกรุณาจริงๆ ห่วงมหาโนบคือห่วงมหาสมุทรเนี่ยยิ่งใหญ่นักเพียงไรเทียบคุณของท่านไม่ได้เมื่อสักครู่ตอนพักมีโยมท่านหนึ่งถามมาได้มาบอกเอาเรื่องกลับไปคิดก็ไปคิดหกสิบสี่อันตรกับหกสิบสี่อันตรกับหกสี่อันตรกับสี่ครั้งที่เป็นพวกสังวัตรากับเป็นต้นก็บอกว่าสองร้อยห้าสบหกเนี่ย อันตรกับเท่ากับหนึ่งมหากับหรือว่าเสียสงไขกับเขาบอกโอ้โพระเจ้าสร้างสี่นี้ใช่ไหมสี่สี่เสียสงไขมาองไม่ใช่หรอกอันนี้เขาเรียกอสงขไยเล็ก น, นี่ก็คือโลกใบเดียวเท่านั้นแหละโลกแต่ละใบในจักรวาลเท่านั้นเองที่แตกไปแต่ว่ามหากับหรือเสียสงไขกับเล็กในคุณเอาไปตั้งใหม่เพื่อจะหาคำว่าสงไขใหญ่ที เอาไปตั้งว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่สูญหายไปเป็นอสงไขยเออเป็นอันตรกรับอันตรกรับ6เสียอันตรกับนี่นแหละจนอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่อีกจนนู่นแหละหนึ่งมาหากับนี่คือโลกใบหนึ่งโลกดับดับไปด้วยแล้วกูบัติเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยเป็นต้นหนึ่งใบนั่นแหละก็มาตั้งแล้วก็เลขหนึ่งตามด้วยเลข0ูนยตัวพอพูดงี้ก็บอกโห oh, พอฟังนี้เขาบอกไอขนลุก ออืนึกว่าคุณพระเจ้าแค่นี้พราะนึกอย่างนี้ยิ่งยิ่งหาประมาณไม่ได้เลยทีเธอพูดกันที่จริงเวลาอาตมาบรรยายอย่างนี้ทีไรอาตมาก็ขนลุกเราเห็นพระคุณของท่านเนะ่ะยิ่งใหญ่นักยิ่งใหญ่นักเธอก็ถามอาตมาต่อไปบอกว่าเา้าพอโลกแตกแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ถ้าสร้างบรรันมีท่านไปอยู่ไหนหมายว่าพรห ม, มโลกท่านไปอยู่พรห ม, มโลก แม้อยู่เป็นพรมท่านก็ไปทําท่านอยู่ท่านก็ขวัขวายในการที่ทําบารมีถึงแม้ว่าจะทําไม่ค่อยได้ถนัดเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีว่างเว้นในการที่ท่านคิดจะบำเพ็ญบารมีได้นั่นแหะคือพผ้าหาตรุณาดุดห่วงมหานกพระ อ, องค์มีตาคือยานันประเสริฐหมดจดแล้วคือปัญญายานุท่านหมดจดทะลุทะลวงเบ็ดเสร็จหมดแล้วแล้วก็ ค่าบาปของตนเองได้แล้วแล้วก็น้อมจะค่าบาปของคลอื่นด้วยของสัตว์อื่นด้วยค่ากิเลสคือในโลกขันของตนเองจัดเป็นหนึ่งโลกอยู่แล้วมนสังขารและโลกเนี่ยท่านค่ากิเลสท่านได้แล้วท่านก็น้อมในการจะไปค่ากิเลสในโลกอื่นด้วยคือในอุป า, าทานขันของบุคคลอื่นท่านต้องการเคลียขันหรือกำจัดขันของบุคคลอื่นถ้าไม่มีท่านนะนะเป่งกล่าวพระธรมออกมา กล่าวเพราะว่าเจะนะออกมาแล้วมีมีพระโอษในการที่กล่าวพระธรรมออกมาถ้าพระธรรมไม่หลุดออกจากหาไทยไม่หลุดออกจากพระโอษไม่หลุดออกจากสัพพัญญตยานของท่านเนี่ยเราจะรู้อะไรเราจะรู้ทางออกได้ยังไงนั่นแหะคือพระผู้มีพระเจ้านั้นนะ่ะพระองค์นั้นนะ่ะจึงเป็นบุคคลที่ควรจะเคารพจริงๆควรจะนอบน้อมจริงๆ พอท่านได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเบียเสร็จแล้วท่านก็มาพิจารณาถึงพระธรรมใช่ไหมท่านมาพิจารณาถึงบุคคลที่ควรเคารพว่าคันคนเคารพใครในจักรวาลทั้งสิ้นแม้ในโลกทั้งสิ้นในกามปภูมิรูปประภูมิและรูปภูมิและในจักรวาลทั้งหมดเพราะในแต่และจักรวาลแต่จักรวาลก็มีวัดมีเกี่ยวในเรื่องของสามสิบเอ็ดภพอย่างเนี้ยท่านก็ใครครวรดูหมดเอาใครที่ท่านควรบูชา หาไม่มีเพราะบอกว่าหาไม่มีเบสเท่านกองพิจารณาแล้วเอ๊ะบุคคลไม่มีบุคคลผู้ที่เคารพเนี่ยก็ไม่มีสาธารณะสิใช่ไหมท่านก็มาทึกถึงพระธรรมที่ท่านตัดสู้ไงนี่ไงพระพุทธเจ้าท่านเคารพพระธรรมฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเคารพถึงขนาดแล้วพระธรรมผ่านสาวกของท่านท่านก็เคารพเห็นไหม นั้นบ่งบอกว่าท่านเคารพพระธรรมท่านเคารพสติประธานสมประธา น, านอิธิบาทอิสีพระราพโธชงอริยมรรคท่านเคารพโพธิปักขยธรรมเป็นต้นเคารพมรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งเคารพพระปริยธรรมก็คือพระธรรมนั้นเป็นภาษาสดาทําไมท่านจะไม่เคารพเพราะพุทธะก็คือสภาวะที่ดับทุกข์ธรรมะก็คือสภาวะที่ดับทุกข์ใช่ไหมถ้าท่านไม่เคารพพระธรรมแล้วท่านจะเคารพ อ, อะไรฉะนั้นท่านจึงเคารพ แม้สังขะเองเห็นไหมท่านยังบอกบอกว่าถ้ามีสังขะปรินิพานเมื่ อ, อไรแล้วเนี่ยแม้ชิ้นส่วนที่เหลือของสังขะท่านบอกให้เก็บไว้บูชาจะมีเป็นสุคติจะมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าแล้วจะถ้าท่านเหล่านั้นมาเจริญสังขานุสติแล้วจะเป็นปัจจัยกนการบรรลุ ด, ด้วยเอาสินอกจากสุคติแล้วมีมีนิพานเป็นที่ไปได้ด้วยเห็นไหม สภาวะของพุทธะจริงๆสภาวะของธรรมะจริงๆก็คือสภาวะที่ดับชาติทุทกขชรลาทุกโมรณะทุกข์ดับความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจถ้าเรามองเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจว่าโอ้เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเรามาเจาะฐานของคําว่าพุทธะ ธ, ธรรมะสังขาเนี่ยจะเริ่มชัดขึ้นทีนี้กำลังบอกว่าธรรมโมบดีโปวิยะตัสสาสะทุโน โยมัคคปากามาตเพทภิพนโกโรกุตโโยเจตทัตติปโนวันทามีธรรมมังหามัธเรณต่างบอกว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุจดวงประทีปท่านทั้งหลายกระแสขันธ์ธาตุอายตนะของเราท่านทั้งหลายนี่มันมืดเหตุที่มืดหนึ่งเบื้องต้นไม่มีปริยัติธรรมของพระบรมศาสดาอยู่ในกระแสของขันธาตุอายตนะเราไม่ได้จุดเทียนในใจอ่ะ ไม่ได้จุดเทียนในกระแสขันธทาดยตนะเลยมันก็มืดมืดก็คือคนมองไม่เห็นทางไม่มองไม่เห็นอริยมรคมองไม่เห็นวันจะเดินยังไงโดยเฉพาะขนาดคาบริยัตผิดอัถฐากของบริยัตไม่ถึงมันยังมืดเลยมันจุดไม่ติดท่านเคยเห็นมว่าจุดปริยัตไม่ติดเนี่ยศึกษาปริยัตแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเคยเจอไหมล่ะทั้งจุดไม่ติด จำได้แต่มันจุดไม่ได้คือเอาพระปริยัติเอาพระธรรมกับเอาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอ่ะเพรเอามาเบสเสร็จแล้วเนี่ยอัถะของพระธรรมไม่เกิดไม่ไม่เข้าถุงจิตใจก็เหมือนกับคนว่าจำพระธรรมได้สุดตะก็ไม่รู้จะเอามาคิดยังไงพอคิดพอจินตามายยะปัญญาไม่เกิดภาวนาไม่ต้องพูดถึง เห็นไหมสุดตาที่เราท่านทั้งหลายฟังฟังกันเนี่ยอย่าลืมนะเราจุดพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายออกจากไปพระตรีวิตร์กับตราดีกาทั้งหลายที่ท่านพยายามขยายเนี่ยแปลว่าท่านพยายามจุดจุดแสงเทียนจุดแสงไฟในกระแสขันธ์าตุยัตยานะของเราท่านั้งหลายทีนี้ถ้ามันสว่างแปลว่ามันเห็นทางอริยมรรคแล้วตอนนี้เห็นไหม ถ้าเห็นใช่ไหมตรงนี้แหละท่านถึงบอกว่าเวลาเราทําวัดสวดมนต์จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าส่วนใดที่เป็นโลกุตระใช่ไหมและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเน่ะเออส่วนใดที่เป็นแนวชี้ชี้โลกุตระนั้นส่วนใดที่เป็นแนวก็คือส่วนที่เป็นพระปริยะทั้งหลายเนี่ย จะเป็นแนวจะเป็นตัวชี้บอกว่าจะเข้าถึงโลกุตระยังไงเห็นว่าพระธรรมที่เราท่านทั้งหลายฟังเสพคุ้นกันเนี่ยอันนี้คือแนวแต่ต้องเป็นไปตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆนะถึงจะเป็นแนวทีนี้เมื่อเป็นพระตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงเมื่อพุทธพจน์เข้าสู่คลองกระแสะของ โซตะเข้าสู่ใจเราท่านทั้งหลายสู่ถึงมโนทวรารแล้ ว, วิถีของเราท่านทั้งหลายแล้วก็ไปไข้ควรถามว่าไข้ควรไม่ออกดูที่พระอัริยะาจารย์พระดีกาอาจารย์ท่านว่ายอย่างไรแล้วก็อัฏฐะตรงนั้นโดยโดยโด ย, โดยการที่มันเจริญได้อยังไงก็ดูให้มันชัดอย่างอย่างที่เราพยายามฟังเราศึกษาที่พยายามกรองกันแล้วกรองกันอีกเนี่ยนะ เพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้แนวแห่งการชี้แนวแห่งโลกุตละตรงนี้มันก็มันก็มันก็ไปได้พระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุจดว ง, ง, งประทีปก็หมายความว่าจําแนกประเภทเนี่ยมรรคผลนิพพานส่วนใดเป็นตัวโลกุตละมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นตัวโลกุตละพระวินัยยบิดกพระสุตตันตยบิดกพระวิธรรมิดกนั้นเป็นแนว ส่วนใดที่ชี้แนวเป็นตัวที่ชี้แนวแห่งโลกุตละชี้ว่านี่ไงมร์นี่ไงผลนี่ในพระนิพนธ์มร์ผลและนิพนธ์เนี่ยมีสติปัฏฐานสมปัติฐานอิธิบาทอินทรีย์พราโอชงเนี่ยนะมร์เนี่ยนะที่เป็นส่วนของโลกิยะเนี่ยที่จะเป็นแนวของโลกุตละยังไงนี่แหะคือปฏิปที่มันส่องเข้าในใจของสัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อได้ปฏิบส่องหรือแสงสว่างส่องลงในใจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยความสว่างสวัยนะี่มันเกิดเพราะมันเกิดแล้วเนี่ยแปลว่ามันเริ่มมั่นยะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยแนวรือดพระธรรมคำสอนเลือนหายไปจากใจท่านทั้งหลายไฟมันดับไหมไฟในส่วนเบื้องต้นของคำสอนดับบางสังสารวัดนี่เราปิดหมดเลยนะแล้วปิดเลยนะ นะถ้าจุติจิตเกิดปฏิสนธิใหม่แล้วไปเกิดกับพบใดกับใครเนี่ยแนวของคําสอนส่วนที่เป็นตัวชี้แนวแห่งคําสอนก็เลือนหายไปเหลือแต่อุปนิสัยปัจจัยที่กระตุน้นเตือนแต่เรานั้นถ้าไม่ได้ไฟังใหม่อัธยาศัยเดิมจะเชื่อมต่อกันยังไงเห็นไหมนี่คือความหน้าหวาดเสียวของวัฏฏะ ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้โลกุตละสระานาคมเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ว่าเราศึกษาพุทธคุณของพระบรมศ า, ศาสดากันอย่างมากมายเนี่ยจําเป็นมากมากมนมามองมันน้อยน้อยมากในคัมภีร์ทั้งหลายที่เราศึกษากันเนี่ยคําว่าน้อยในที่นี้ก็คือว่าเราจะเก็บเกี่ยวให้เป็นอารมณราณาปัจจัยแกการสร้างสัจทินรียวิริยินซีอย่างไรจนถึงปัญญินทรีย์อย่างไรเนี่ย เันปริมาณข้อมูลไปเนี้ยมันเหมือนกับถ้าเรามีอาหารปริมาณอาหารถ้าเรามีแค่คำพีแค่เนี้ยถ้าเราไม่สามารถขยายคำพีนี้ได้อย่างกว้างขวางเราจะกินได้กี่วันอาหารถ้าเป็นอาหารเนี้ยถ้าเป็นปริมาณอาหารเนี้ยที่เราจะเลี้ยงรูปกายรูปากขันเนี้ยมันก็ได้ไม่กี่วันใช่ไหมฉะนั้นความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนหรือว่า เกี่ยวกันในเรื่องของบา ร, บ ร, บ ร, บรมีธรรมของที่พระบรมศาสหรือพระโพธิศาทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญมาเส้นทางชีวิตอันยาวไกลของท่านที่ท่านเดินทางมาในการบ่มเพาะทั้งหลายนั้นน่ะทุกจุดทุกเรื่องราวที่อุบัติเกิดขึ้นสามารถจะเป็นอารมณปัจจัยแก่สัตทินซีของท่านทั้งหลายได้แล้วตัวนั้นแหละจะเป็นตัวอาหารเป็นตัวเสริมทําให้ินทรีย์ก่าวคือศรัทธาเป็นต้นน่ะแข็งแรงเมื่อแข็งแรงเมื่อไหรแล้วความมุ่งมั่นจะมากกว่านี้ ความย่นและย่อและท้อถอยมันจะเริ่มหายไปอสัตธียะมันจะถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าหากว่าวิญญาณซีมันแข็งแรงนะโกศชาก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าสติินรีย์แข็งแรงนะมุตตสติคือการหลงลืมสติก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าสมาธินทรีย์แข็งแรงนะความฟุ้งซ่านวิเขปนาเป็นต้นหเหล่านี้จะถูกทำลายไปเรื่อยๆเป็นแต่ทางค้าไปนี่นะถ้าปัญญินซีแข็งแรงนะกลุ่มสัมโมหาทั้งหลายจะถูกทำลายไปเรื่อยๆแล้วก็ดูตรงเนี้ย แล้วก็ไปไข่ครวญดูว่าเออเป็นอย่างนั้นไหมทีนี้ถ้าหากว่าเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแปลว่าเรานั้นเริ่มให้อาหารให้ปัจจัยของเขาได้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อได้อาหารให้ปัจจัยของเขาได้อย่างชัดเจนแปลว่าเริ่มมั่นใจถ้าถามท่านทั้งหลายที่กําลังนั่งนั่งกันอยู่เนี้ยถามมีใครสักกี่คนมั่นใจว่าศรัทธาเรานั้นจะแล่นไปจริงๆแล่นไปข้างหน้าจริงๆคือหมายมั่นเลยอ่ะหมายมั่นถึงโสดามาก บรรลุโซดาผลทำให้แจ้งพระนิพพานของพระโซดาบันไมยมันสกาธาคามีมรรคใช่ไหมคือถึงอ่ะแล้วก็บรรลุสกาธาคารมีผลทำให้แจ้งซึ่งนิพพานของสกาาคามีผลเป็นต้นจนถึงอารหัตมรรคอรหัตผลแล้วก็นิพพานของอารหัตมรรคอรหัตผลหรือเลยไปกว่านนะั้นถ้าเราคิดบอกว่ามันมีสองส่วนใช่ไหม ส่วนที่คิดว่าจะต้องบรรลุก็ส่วนที่คิดบอกว่าจะทำให้เป็นวาสนาพากย์ยาตอนนั้นที่อยู่เชียงใหม่ย้ำได้ไหมที่บอกว่าบอกว่าที่ใช้คำ บ, บอกว่ายถาสติยถาพลังจักทำในใจดูจกปฏิบัลบัด ต, ตามอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตามสติกำลังอาตมาบอกว่า อย่าไปคิดแค่วนั้นมันไปไปมามันเลยกลายเป็นแบบแล้วก็ทำตามกำลังของเราใช่ไหมแล้ก็ทำตามกำลังของเราอยู่เนี้ยมันไม่เคยคิดว่าเราจะเพิ่มใช่ไหมเราจะทำศรัทธาให้มีศรัทธาพระจะทำวิริยะให้เป็นวิริยะาละจะทำสติให้เป็นสติพระ จะทําสมาธิให้เป็นสมาธิพละจะทําปัญญาให้เป็นปัญญาพละตามพละเหล่านี้แหละตามกําลังเหล่าเนี้ยเพราะถ้าถึงพละเหล่านี้แล้วเขาละกิเลสได้พ้นทุกได้ไม่ใช่มาแปลอย่างปุรุชนแปลใช่ไหมเพราะปุรุชนแปลเนี่ยเอาตามกําลังไอ้ตามกํมากลังของเราที่มันอ่อนๆ อ, อ, อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยจะคิดที่จะเงยออกเลยตอเนี้ย บางคนเน IE, ี่ยเวลามานั่งคุยกันมาก็อบอกว่าวิสแแสดง gy, นี่ท่านท่านจะให้ผมทิ้งครอบครัวใช่ไหมเนี่ยที่ท่านพูดบอกโอ้พูดยากขึ้นเลยต้องเอ า, าพระจะยุให้ทิ้งครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่ได้ยุให้โยมทิ้งครอบครัวยุให้โยมทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็โยมนั่นแหละเพราะเดี๋ยวก็ต้องทิ้งอยู่แล้วแต่ทิ้งแล้วมันเป็นรับเอาใหม่ แต่ปราถนาว่ะยอมอย่าไปรับเอาใหม่เพราะมันเป็นทุกยอมก็เหนียนอยู่น่ะแค่ทุกขเวธนาที่เกิดขึ้นกับยอมยอมก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วทุกที่มันเป็นไปในวัฏฏะเนี่ยกระแสของขันธ์ธาตุอายตนาที่มันออกจากวัฏฏะไม่ได้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นก็เลยบอกว่าอ๋อมันก็คือต้องทิ้งทั้งหมดเลยก็บอกเราบอกโอ้ลาบากเกินเห็นไหมเป็นอย่างจริงๆิงใช่ไหม สังโฆสุเขตาพยาติเขตตสั้นยีโตโยธิตสันโตสุกตานุโพตโกโรลาไปหิโนอริโยสุเมตโสบันดามิสังขาอามาทะเลนทตังพระสงฆ์เป็นนาบุญยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัดสรู้ตามพระสุคดเห็นไหมเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระรยาเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าก็ไหวพระสงฆ์นั้นโดยใจเคาลบเอื้อเฟือแบบพระสงฆ์เนี่ยตัดสรู้ตามพระสุคหมู่ใด ก็คื อ, คอตรัสรู้เป็นพระโสดาบันสกท า, านาคาเป็นพระอาหารนี่เขาเรียกตัสรู้ตามพระสุคตตัสรู้ตามพุทธเจ้าทีนี้สภาวะของสังพุทธะเอืยธรรมะสังขาจริงๆเนี่ยสภาวะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสภาวะที่ดับทุกข์แต่เมื่อมีสภาวะที่ดับทุกข์ระดับใดเราก็มีบัญญัติตามสภาวะนั้นๆเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมสัมมาสัมพุโทโธเนี่ย ตัดสรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็สอนให้บุคคลอื่นที้ตัดสรู้ด้วยคําว่าสัมมาในที่นั้นแปลว่าไม่วิปลิสนะไม่ผิดเพี้ยนนะตัดสรู้ได้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็สอนผู้อื่นให้ตัดสรู้ถ้าสภาวะนั้นก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะทีนี้สภาวะที่สัมมาสัมพุทธะตัดสรู้นั้นก็คือธรรมะสภาวะของสังขาก็คือตัดสรู้ตามประสุคตตัดสรู้ตามพุทธะนั่นเองตัดสรู้อริยสัจ เพราะว่าสังฆาเนี่ยนะถ้าไม่ได้พุท ธ, ธตัดสรู้ไม่ได้ต้องอาศัยพุทธะนี่ยจึงตามพุท ธ, ธามันเลยใช่ไหมตามพุท ธ, ธามันเลยอย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นว่าสภาวะที่เป็นที่ดับทุกข์ของของพุท ธ, ธเป็นในลักษณะอย่างนี้นแล้วก็เป็นงั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธ ธ, ธรรมมาและสังฆาจึงเป็นสาระที่ควรตั้งสัจทินรียไว้อย่งยิ่ง เมื่อสัตติงซีไปตั้งเขาไว้พุทธเจ้าถึงบอกบอกว่าให้สังเกตดูนะว่าพระบรมศาสดาเนี่ยที่บอกว่าสภาวะตรัสรู้อริยสัจเนี่ยสี่ก็คือพุทธะธรรมะคือสภาวะอริยสัจโดยเฉพาะโลกุตระธรรมเก้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นแหละอันนั้นอันนั้นชาติเป็นสัสงฆะคือสภาวะที่เข้าถึงอริยสัจ ต, ตามพุทธะวมเป็นหนึ่งคือการตรัสรู้ตามพุทธเจ้าเนี่ย คือการเห็นอริยสัตว์เป็นต้นทีนี้ถาม่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นอะไรเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยว่าสัตทินรีถ้าตั้งไว้ถูกก็จะตั้งไว้ที่การตรัสรู้ของพทะเจ้าเหมือนถ้าเราจะศึกษาคำมพีร์สัมภารวิบากก็ต้องศึกษาให้ได้ทั้งเรื่องราวความเป็นไปด้วยแล้วก็จนถึงสภาวะแห่งการตรัสรู้เป็นต้นด้วย ถ้าพูดถึงเส้นทางหรือระยะการเดินทางเนี่ยของอสงไขทั้งหลายเนี่ยนะถ้าศึกษาไปตามคำสอนที่บอกว่าจิตปณิธานมโนปณิธานเนี่ยเจ็ดอสงไข่บําเพ็ญบารมีเป็นพุทธเจ้าและผ่านพุทธเจ้ามาหนึ่งแสสองหมืห้าพันพระองค์ก็ดูแต่อสงไขย ไม่ว่าจะเป็นนันท่าสงไขสุนันท่าสงไขปทวีอสงไขมันดาสงไขธรณีสงไขสาครขาสงไขบุญเทียสงไขสัพพะพัทธาสงไขสัพพะพุละสงไขก็รล่มาตาเออไปจนถึงนั่นแหละคําว่าเจก็จนถึงนู่นแหะจนถึงบุญตริกบุญตริกาสงไขเนี่ยในเจ็ดสงไขนี่เขาเรียกมโนปนิธานอันนี้ผ่านพระเจ้ามาหนึ่งพุทธเจ้ามา1น0 0 0แสนสองพระองค์อันนี้เราก็ไปนับอสงไขย เราดูเส้นทางการสร้างบา ร, รมีของท่านเกิดแล้วแล้ว่ไมอันนี้อัตภาพแล้วอัตภาพเล่าในการที่คิดอยู่ในใจและไม่พูดมโนบนิีานก็นยาวนานแท้เราลองมาคิดดูที่ว่าการคิดจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆ เห็น ไ, ไหท่านคิดท่านก็เก็บความรู้สึกว่าคิดปรารถนาก็เก็บความรู้สึกว่าเจอพระเจ้าก็ไปคิดต่อหน้าพระเจ้าไปมองหน้าพระเจ้าใช่ไหมไปกราบมองหน้าพระเจ้าก็แสดงทำแสดงอะไรต่างๆให้ฟังไปท่านก็เรียนรู้พระพธรรมของพระเจ้ามาต้องผ่านมาขนาดนี้ลองคิดดูสิกง ไผ่านท่านบ้างไม่ท่านบ้างแต่ว่าในสื่อจริงๆก็คือว่าท่านก็คิดท่านก็มีข้อมูลท่านก็มีอัจิยาสายของท่านสั่งสมกลับแล้วกลับเล่าจากก็ลองคิดดูอย่างนี้ไล่แค่หนึ่งอสงไข่ใช่ไหมอย่างที่โยมถามอาทมาไล่หนึ่งอสงไข่ก็คือไล่ว่าโอ้โหอันตรกรับใช่ไหมเออแต่ละอันตรกรับเนี่ยแปลว่าจาก อสงไขยปีของมนุษย์นับไม่ได้นับไม่ได้เอาเลขหนึ่งตามเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวโอ้อสงไขยขึ้นขนาดนั้นเลยอายุไม่รู้ขนาดไหนคำนวณไม่ได้แล้วก็ลงมาตามลำดับนี้นะลงมาจนถึงสิบจากสิบก็ขึ้นไปอสงไขยนับเป็นหนึ่งอันตรกรับก็ยาวนานสักปานใดอย่างนี้ดิแต่ละพบแต่ละชาตเเเเิเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ย ผ่านไปอีกว่าจะได้แต่อันตรกับตัวกว่าจะได้แต่อันอันตรกับเรามาพูดนิดก็เร็วดิใช่ไหมพูดนิดก็เร็วแป๊บแป๊บแปปกสอันตรกับได้แล้วเป็นสังวัตตะกับแล้วก็มาวิวัตกับอีกหกสิี่อันตรกับวิวัตตะกับอีกหกสสี่อันตรกับวิวัตถายีหกสิอันตรกับสองอห้าหอันตรกับก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ การคิดเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วถ้าเราท่านทั้งหลายคิดว่างเอาแล้วจะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แคว่าคิดสร้างเลนโคู่กันมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วประเทศไทยเนี่ยตำริจอยากจะสร้างรถไฟเร็วกับความเร็วสูงอะเอาร้ยกิโลลองสองเอาวิ่งเชียงใหม่เจ็ดร้กิโลเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคิดมายี่0บสปีแล้ว แล้วมันเสร็จไหมเนี่ยเรืแ่แค่เนี้ยก็คิดสร้างทางแค่นี้มันยังยังยังชาขนาดนี้อยู่มั้ยขนาดทางแค่นี้มอ ง, งเห็นอยู่เนี่ยเราก็ไปไปมาๆกันอยู่ก็ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ยยังคิดมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ไม่ง่ายเลยอะ่ะฉะนั้นถ้าเรามองเส้นทางการยาวนานในการที่จะสร้างบา ร, รมีของท่า น, นอันนี้แปลว่าอะไรพออสงไขยเล็กเนี่ย เสียสงไข่เล็กเนี่ยหนึ่งมหากรอบก็แปลว่าแสนโกจักรวาลในจักรวาลทั้งหลายโลกมันแตกดับมันได้ไฟบ้างได้น้ำบ้างได้ลมบ้างก็ว่ากันไปแต่นี้สุดก็คือแตกดับแล้วมันก็มืดแล้วมันก็กาะตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะในโลกใบหนึ่งหนึ่งนี่ทีหนึ่งเป็น1มหากรอบอันเนี้ยในหนึ่งมหากรอบก็ไปตั้งใหม่แล้วก็เลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อี่ศูนย์ไป มันก็โลกก็แตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็รอบหนึ่งหนึ่งอสงไขยสองรอบสองอสงไขยก็นัน่งอันนี้คิดในใจเจ็ดใช่ไหมนี่ไง น, นี่ไงเส้นทางของท่านความยาวไกลของท่านที่ท่านต้องการพุทธังสระนังกระฉามิที่เราจะได้เอ่ยคำนี้ย เอ่ยคำว่าพุทธทางสารนังก็ชามิเข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณ ะ, ะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเนี่ยแค่เราจะได้ยินคําคํานี้เนี่ยลอยาวนา น, นมากมานิ่สัตว์มีบุญเนีนั่งนกันอยู่เนี่ยได้ยินเขาสวดพุทธทางสารนังก็ชามิด้วยได้ยินคําว่าทำมังสารนังก็ชามีด้วย ได้ยินคำว่าสังคังระนังกระามิด้วยใช่ไมได้ศึกษาเรื่องราวของท่านได้ศึกษาระธรรมของท่านและได้เห็นปฏิบัทาของสังฆาของท่านบุญโขแล้วบุญไม่เที่ยงใช่บุญนี้ไม่เที่ยงหรอกตาไม่รู้จะบอดเมื่อไรหูไม่รู้จะหนวงเมื่อไร ลิ้นไก่ไป่รู้จะสั้นเมื่อไรไม่รู้จะแข็งเ ม, มื่ไรใช่ไหมลิ้นเนี่ยไม่รู้จะสวดได้ไหมเชื่อมั้ยบางท่านเป็นอมพาสอยากสวดเหลือเกินพูดทางจระนงังสวดไม่ได้ปะงาปะงาปังงบนี่เราไม่เคยเห็นอัทธาพวกนี้ไงไม่เคยมาคิดไงถ้าลองคิดอยางไงมาคิดสกนิดนึงไงนะสมมติเนะี่ะตอนมาไปเห็นเนี่มันมก็เตือนใจตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมอยากสวด จะเอ่ยพุทธังสารังโอ้ยง่วงอยู่เลยนี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคือคือโอกาสจะสวดเนะี่ยแทบจะไม่มีกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยนะแทบจะไม่เหลือน้อยแล้วลองไปนั่งนับที่ว่าอายุที่เหลือเราจะได้เกิดได้เอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้ากี่กี่คำยอมไปนั่งคิดอายุดูเนะี่ยวันหนึ่งจะได้ท่องกี่คำเนี่ยจะได้ถึงพระพุทธเจ้าวันเนี่ยนี่โลกียะเราไม่แน่นอนอะไรเลยใช่ไหม ตรงนี้มันมันมันก็ต้องไปใข่ควรวนไปพิจารณาไม่รู้จะเอ่อยกี่คำก็ไม่รู้นะเข้าน่ะเข้าเราก็ตายกันแล้วไปชาติหน้าถ้าเป็นอบายศัสตร์เราจะไปสวดยังไงเนี่ยเราเห็นเคยเห็นเขาชุมนมกันสวดมนต์ไหมก็ไม่เคยเห็นเลยยมว่าเคยเห็นหั้มไม่เห็นเลยใช่ั้ยไม่เห็นเ้วเขาไม่สวดมนต์เรา แต่ก็มีแต่ชมนมในการที่จะติดข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายแย่งกันกัดกันก็มีแค่นั้นน่ะก็มีอะไรกา ม, สญญ า, ม า, าสัญญามรณะสัญญาใช่ไหมก็มีการกลัวทายการเสพการการกินไรก็ว่ากันไปแค่นั้นสัตว์ก็มีแค่นั้นไม่มีธรรมาสัญญาเขาอีกยกเ ว, นว้นผู้โพธิสัตว์เอาละสิแตเนี้ยแล้วเราได้ตั้งโพธิสัตว์ไว้ในใจเปล่าถ้าไม่ได้ตั้งเขาอีกจะยุ่งอีกอะไรแตเนี้ยฉะนั้นต้องคิดเลยตรงเนี้ยต้องคิดต้องตรึกต้องใคร่ควร น, นี่คือเจ็ด ในในในเจตต่อมาก็คือเปล่งวาจาเพราะว่าเปล่งวาจาก็เริ่มตั้งแต่นั่นแหละสัพพะพัทธะสงขยัยในสัพพะพัธะสงขยก็เริ่มตั้งแต่ปุราณาสกยมุนีเปล่งวาจาต่อหน้าพราะพักแต่ไม่พยากรเพราะตรัสแนะนําได้แต่ตออกว่าไปไปไปเปล่งต่อหน้าพระหน้าพระพักเลยนะครั้งแรกอ่ะแต่ท่านไม่พยากรหรอแต่ท่านก็ได้แต่บอก วิธีการจะสร้างบารมีอ่ะควรจะสร้างยังไงยังไงแค่นั้นเองท่านไม่บอกใช่ไหมถ้าเด็กเราจะเป่งใช่ไหมเป่งก็ต้องดูแววพระเนธของพระเจ้าว่าเราเราเปล่งแล้วข้าพเจ้าเป่งแล้วข้าพเจ้ามั่นใจแล้วข้าพเจ้ากล้าพูดแล้วข้าพเจ้าไม่กลับคําแล้วเพราะข้าพเจ้ามีสัจจะบารมีข้าพเจ้ามีอธิฐานบารมีข้าพเจ้ามี ปัญญาบา ร, รมีข้าพเจ้ามีศรัทธาในการที่จะเป็นพุทธิย่าในทํารองอย่างนั้นน่ะท่านก็ไปเปล่งท่านก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พยากรก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่พยากรเลยเนี่ยก้าสงไข่วจีบาริธานเนี่ยก้าสงไขบ่บาเพ็ญบารมีมาผ่านพุทธเจ้ามาสามแสนแปดหมืเจดพันพระองค์ไม่ยอมพยากรเลยก็ลองคิดดิ เอางี้ถ้าเราไปขอร้องใครเนี่ยเข้าไปหาใคร เ, เราไปถึงสิบครั้งไม่กล้าไปถึงสิบครั้งมั <c oughs> ปเปล่งงอนบอกเออไปพูดถ้าเขาไม่เชื่อเราแล้วเนี่ยใช่ไหมหรือเขาไม่ได้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็เฉยอ เรายังกล้าจะยืนยันปณิธานนั้นไหมว่าเรายังคงมั่นคงใช่ไหมตรงนี้เราก็จะได้ดูว่าอันนี้อีกเก้าก็เริ่มตั้งแต่นี่แหละสัพพาพัธะสัพพาพุละสัพพารัตนะอุสุภาขันทะมาณิพัธะสองไขปทุมะสองไขอุสุภาอสองไขขันทุบตามะสองไขแล้วก็สัพพามาละอสองไยะก็ผ่านพุระเจ้ามาตามลําดับ ตั้งแต่ห้ามื่นหกมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นสองมื่นหนึ่งหมืนห้าพันสองพันรวมเบ็ดเสร็จทั้งทั้งมโนทั้งวาจาเนี่ยสิบหสิบหนี่ไงนี่คือเส้นทางในสังสารวัตที่ท่านดำเนินหรือท่านบรรพ็์มาในด้านของสิบหกสงงขย ต่อมาก็จนมาผ่านตันหังกรเมทางกรสะนานงกรก็ยังไม่ได้รับเพราะยังไม่เต็มวะเงี้ยเนี่ยถ้าเราศึกษานิดเริ่มศึกษาล้ตันหังกรเมทางกรสะนางกรบอกว่ายังไม่เต็มจนมาถึงวัตถีปังกรสมาสมุทรเจ้าบอว่าเต็มลองคิดดูที่ว่าพอมาถึงวัตีปังกรสมาสมุทรเจ้าเนี่ยพรบอกว่าเต็มแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วพอพระพุทธเจ้าวัตถีปังกรสมาสมุทรเจ้าเห็นแค่นี้ ชี่อนิหนอพุทธังกุลนินหอหนอโผลมาแล้วโอ้ยโผลมาแล้วน่าชื่นใจมากหนอพุทธะเนี่ยพระเจ้ายังเคารพนี่ฮะพระเจ้าหรือสาวกของพระเจ้ายังเคารพเลยทําระทักษิณเลยดอกไม้บูชาเลยโหยใช่ไหมั่นคนตาดีทั้งหลายก็พากันบูชากันกองดอกไม้เต็มไปหมด นี่คือเขาเห็นหน่อพุทธตรงนั้นนั่นก็พิจารณาอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นคณของพระเจ้านะ